เมื่อวันซืนนะมีมีคนมาบอกว่าผมเข้าใจธรร ม, มะแล้วธรร ม, มะคือธรรมชาติธรร ม, มะคือหน้าที่ทุกอย่างเป็นสุญญตาอ น, นี้ผมไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไม่จริงหรอก <c oughs> คิดเอาเองแค่ธรร ม, มะคือธรรมชาติก็ผิดแล้วล่ะ ธรรมะคือธรรมะธรรมชาติคือธรรมะที่ยังเกิดที่ดับอยู่ชาติว่าเกิดนั่นบอกธรรมะคือธรรมชาตินี่มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะธรรมะมีสองส่วนนะธรรมะที่เกิดแล้วดับกับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมะที่เกิดดับเรียกสังคตธรรมธรรมะที่ยังปรุงแต่งอยู่เรมีรูปธรรมนามธรรมเป็นต้นนะ รูปธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับนมามธรรมทั้งหลายเกิดแล้วดับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับพ้นจากความปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือนิพพานคำว่าธรรมะเป็นคำกลางกว้างๆคลุมทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งธรรมะที่เกิดดับแนะธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมะคือธรรมชาติสองอันนี้ไม่เท่ากันนะคิดเราเอง ธรรมะคือหน้าที่เเป็นมุมหนึ่งเท่านั้น mm hmm. เป็นโจนรทาหน้าที่ของโจร้วบอกมีธรรมะ mm hmm. ธรรมะไม่ใช่ปรัชญาอยากรู้อยากเข้าใจธรรมะจริงต้องลงมือภาวนาวดูของจริงที่เกิดขึ้นในกาย ใ, นใจนะเรียนรู้ธรรมะฝ่ายเกิดฝ่ายดับไว้พะจิตมันวางธรรมะฝ่ายเกิดฝ่ายดับือวางรูปนาม จะไปสัมผัส ธ, ธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานยิงพูดคําว่าสุญญตาสุญญตาพูดเพ้อเพ้อไปปุถุชนไม่เคยเห็นหรอกสุญญตาไม่ได้แปลว่าว่างเปล่าถ้ว่างเปล่ามันเป็นเชิงขาดศูนย์ไปทุกอย่างขาดศูนย์ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอะไรๆก็ไม่มี เรียกนัติกะทิธฐิตัวอย่างไม่มีเป็นวิชาทิฐิแท้จริงว่างเหมือนกันแต่ว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแตง่งว่างจากความยึดถือรูปนามว่างอย่างนั้นไม่ใช่ว่างเปล่า้บางทีอ่านธรรมะแล้วเพอ้อนะใช้ไม่ได้หรอก อยากรู้จักธรรมะของจริงนะธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งก็ให้รู้ทันสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าปรุงแต่งในร่างกายก็มีหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นความปรุงแตง่งแต่งร่างกายเราไปเรื่อยเป็นทาาที่หมุนเวียนเมื่อไหร่ทาาหยุดสะดุดชะงักนะท่านนี้แตกทรงรูปอย่างนี้อยู่ไม่ได้ อยู่ได้เพราะการมันหมุนเวียนไปเไรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะก็มีความเคลื่อนไหวนเนี่หลวงปู่ดูลสอนนะพระไม่ได้เรียนหนังสือท่านถามหลวงพ่อว่าสิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้ไหม เราก็บอกแบบวิทยาศาสตร์สมัยชั้นปถมสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวสิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวบอกไม่ใช่ันชี้ลงไปที่เบื้องปูพื้นห้องพื้นระเบียงท่านในนี้ก็มีความเคลื่อนไหวถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวมันจะไม่มีความเก่าความสลายตัวมันมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลามันมารวมกันอยู่ชั่วคราวต่อไปก็จะแตกออกจากกันมัเนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอด นภูมิปัญญาผู้เท่านะลึกซึ้งประณีตร่างกายเราก็เป็นความปรุงแต่งมีธาตุมาประกอบกันขึ้นมาธาตุประกอบกันได้สมดุลดีันกะ็ยังอยู่ได้คุมกันอยู่ได้ไม่สมดุลนะร้อนมากไปหนาวมากไปรูปนี้ก็แตกสลายรูปนี่เป็นธรรมชาติที่แตกสลายได้ ได้ด้วยความร้อนด้วยความเย็นบ้างถูกทำลายบ้างนำมาทำทั้งหลายก็เป็นความปรุงแต่งความสุขก็เป็นความปรุงแต่งอยู่ๆไม่สุขเราต้องมีเหตุมีเหตุมันก็เกิดความสุขขึ้นมาหมดเหตุของความสุขความสุขก็ดับไปความทุกข์ก็เป็นความปรุงแต่งเกิดจากเหตุมีเหตุก็ทุกข์ขึ้นมาหมดเหตุมันก็หายทุกข์ ความทุกข์นิรันดร์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดจากเหตุถ้าเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวมันก็เลยถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปด้วยคอยรู้คอยดูคอยสังเกตเอาความปรุงดีปรุงชั่วก็มีเหตุให้เกิดอย่างเราครบกาแลญณมิตรคบคนดีมีศีลมีธรรมนมนำให้คุณความดีของเราเกิดขึ้นมาได้ ล้วครบคนชั่ว้ก็น้มนำให้เกิดความชั่วตามข้บไปด้วยครบคนแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านถึงสอนนักหนาว่าอย่าครบคนผานให้ครบบัณฑิตไม้นชีวิตจะอับเฉ่านะชีวิตไม่เป็นมงคลเลยมงคลข้อแรกของชีวิตนะไม่ครบคนผานเนี่ยถ้าทุก อ, อย่างสุญญตาคนผานก็ไม่มีบัณฑิตก็ไม่มีนมันเฟิร์ตเพิไป ไม่เข้าใจธรรมะแล้วคอยดูลงไปนะจะเห็นเลกุศลเขาไม่เที่ยงอากุศลเขไม่เที่ยงกุศลก็มีเหตุให้เกิดรากเงาของกุศลก็คือโยนิโสมนาสิการรากเงาของอากุศลก็คืออาโยนิโสมนาสิการไม่แยบขายเป็นรากเป็นเงาของมัน บางทีท่านก็เลยสอนให้มีโยนิโสมนัสิการแต่มันไม่ใช่มีง่ายๆอาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะแล้วช่างสังเกตโยนิโสมนัสิการอย่างจะเกินใส่ใจอย่างแยบคายไม่ใช่คิดเอาคิดเพอ้อเจ้อไปสังเกตเห็นระวังใจไม่ถูกอกุศลก็เกิดอย่างถ้าเราปล่อยใจให้คิดไปในกาม ในความสนุกสนานเพลิดเพลินกามมาราคาก็เกิดเราปล่อยใจไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใจนะปฏิฆะหรือโทสะอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเรามีเหตุไหมมีเหตุของอกุศลอกุศลก็เกิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านละอกุศลได้นะท่านลเหตุของอกุศลได้ตนะ่างหากเคยมีคนทูลถาม พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกรมราคะไหมถามว่าท่านมีกรารมราคะไหมท่านตอบว่าเราไม่มีกรารมราคะเพราะเราไม่มีกรมรมวิตกเราไม่คิดเรื่องกรรมทาไมไม่มีกามาวิตกต์ไม่ได้ฟุง้งซ่านเลยไม่มีเชื้อที่จะให้ฟุง้งซ่านไปในเรื่องกรรมอีกแล้ว นีมันจะมีเหตุมีผลลงไปนะท่านไม่ได้บอกเลยว่าเราไม่มีการมราคะเพราะเราเป็นพุทธเจ้าเราเก่งเราสามารถฆ่ากามราคะตายเนี่ยท่านไม่ได้บอกงั้นท่านบอกท่านไม่มีกรรมราคะเพราะไม่มีเหตุของกามราคะไม่มีกามรมวิตกอย่างพระมาเรียนกับหลวงพ่อนะพระหนุ่มหนุ่มเนนน้อยทั้งหลาย มีการมราคาโดยธรรมชาติกลัวมากเลยเวลาเกิดการมราคาขึ้นมาทุกทรมานมากเราทำไงจะสู้มันไม่ไหวอยู่แล้วล่ามันไม่ได้เอย่าไปล่ามันสิแต่อย่าไปคิดมันฮอร์โมนมันกระตุ้นให้คิดเรื่องผู้หญิงอย่างี้อย่าไปคิดมันพามันไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่ไปคิดเรื่องผู้ชายนะเดี๋ยวผู้ชายน่ารักไปด้วย คิดถึงความตายคิดถึงปฏิคูนาสุภาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดช่องให้คิดไปในทางกรรมกรมราคะก็เกิดไม่ได้หมดฤทิหมดเดชไปที่เกิดแล้วก็ตายไปที่ยังไม่เกิดก็เกิดไม่ขึ้นธรรมะประณีตลึกซึ้งนะไม่ใช่เรื่องพูดพล่อยๆต้องภาวนาต้องเห็นเอาบางทีอ่านธรรมะมากไปแล้วฟุง้งซ่าน หลวงพ่อก็เคยเป็นอย่างโยมที่มาถามนี่นะอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาส น, นี่แหละอ่านแล้วก็ฟุ้งไปคิดว่าเข้าใจธรรมมาก แ, แล้วก็เห็นว่ากิเลสไม่หมดนะวันหนึ่งลงไปหาหลวงพ่อพุทธทาสถามท่านอาจารย์ครับถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ได้ครบทุกเล่มเลยผมจะได้โสดาบันไหมเนี่ยท่านบอกไม่ได้หรอกต้องภาวนาเอง เขาบอย่างนี้นะไม่ได้เราต้องภานาไม่ใช่คิดเอานะ่ใช่คิดเอาภาวนามีสติมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะเห็นธาตุเห็นขันนั้นทํางานไปมันเข้าใจขนะึ้น้าเข้าใจธรรมะที่ปรุงแต่งจิตก้เลยพ้นจากความปรุงแต่งนะเห็นนะมันไม่มีสาระอะไรมีของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุขึ้นดับบังคับไม่ไดนะ้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ปล่อย จิตปล่อยวางนะจิตเข้าถึงทำทำแท้ๆทำที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งคือพระนิพพานเที่ยวหาพระนิพพานนะมาเนิ่นนานในวัฏฏะรนเรมาในวัฏฏะเนี้เที่ยวหาพระนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนทําอย่างไรจะเจอพระนิพพานพอเราได้ยินคําสอนของพระเจ้ารู้วิธี เจริญศีลสิกขาจิตสิข า, ขาปัญญาสิกขาแก่รอบขึ้นมามันเป็นฐานเป็นชั้นชั้นขึ้นไปนะเรียเรื่องศีลได้ศีลขึ้นมานะเกิดสมาธิง่ายนะมีสมาธิที่ถูกต้องเกิดปัญญามีปัญญาก็เกิดความหลุดพ้นเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ปัญญาลอยๆอยู่กลางกางไม่มีศีลรองรับไม่มีสมาธิรองรับไม่มีหรบแต่สมาธิต้องถูกชนิดเพราะสมาธิมีหลายชนิด สมาธิจำนวนมากไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆอยนั้นเรารู้วิธีนะเราก็ทำตามวิธีฝึกใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเห็นาธาตุเห็นขันแยกออกไปเห็นาธาตุขันทำงานไปเรื่อยๆเบื้องตอน้นเกิดปัญญาตัวเราไม่มี มีแต่รูปธรรมนามธรรมามารวมกันชั่วคราวแล้วก็แตกนับไปตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องปลายก็คือสิ่งที่มีตัวรูปธรรมนามธรรมานะัม้นมันมีมันมีสภาวะรองรับนะถึงเรียกว่าปรมัตทธรรมมีสภาวะมันมีไม่ใช่มันไม่มีทุกอย่างว่างเปล่ารูปนามไม่มีอย่าง้เพอลอะมันมีแต่ว่ามันตกอยู่ใต้ใจลักแล้วมันเป็นตัวทุกข มันเป็นตัวทุกข์ก็เพราะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั่นแหละบางท่านนะเห็นธาตุเห็นขันเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่น่ายึดถือเลยเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าเพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาบางท่านเห็นว่าเพราะมันหาสาระไม่ได้ยึดถืออะไรไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยบรรลุพระอรหันต์กันคนละแบบบางท่านมารู้ด้วยเห็นอนิจจังบางท่านเห็นทุกข์บางท่านเห็นอนัตตา พอมีศรัทธามีความเพียรมีอะไรอย่างนี้นะก็จะเห็นอนะนิจจังใจก็คลายและพวกที่ส่งสมาธิมากๆต้องเห็นทุกข์ทำไมส่งสมาธิมากต้องเห็นทุกข์เพราะเวลาทรงสมาธิมันมีแต่สุขจิตใจมันมีความสุขมหาศาลวันหนึ่งเห็นเนะีจิตเป็นตัวทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยล้มล้างเลยที่เที่ยวแสวงหาความสุขของสมาธินั้นะล้มถลม่มทลายลงต่อหน้าเลยยึดถือไม่ได้ละจิตก็ปล่อยวางจิต พวกสมาธิกล้านะพวกทรงฌานพวกอะไรนี้จะหลุดด้วยการเห็นทุกข์พวกปัญญากล้าก็จะหลุดด้วยการเห็นอนัตตานะเห็นมันบังคับไม่ได้หาสาระไม่ได้นะปล่อยเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะก็หลุดพ้นแล้วล่วละในใจรักไม่ต้องเห็นทั้งสามัญหรอกจนะสามัญจริงๆเนื่องกันคําว่าไม่เที่ยงก็คือของที่เคยมีแล้วไม่มีเรียกว่าไม่เที่ยง คำว่าทุกข์ก็คือของที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายไปเพื่อให้มันไม่มีนะคําว่าอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายจะมนะีหรือจะไม่มีเนะี่ยไม่ใช่อยู่ในอานาจบังคับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ไดนะ้มันเนื่องกันเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะก็ปล่อยวางได้ดนั้เวลาเราพอนามไม่ต้องคิดมากหรอกว่าจะดูอันนี้จังหรือทุกขังหรืออนัตตานะจิตมันดูของมันเอง จิตมันจะเลือกมุมที่ดีของมันเองเรามีหน้าที่ดูทุกอย่างที่ปรากฏต่อหน้าตานี่แหละจะเห็นเลยเบื้องต้นเห็นมันเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นก็เห็นอีกว่าสิ่งที่กําลังมีอยู่ยังไม่ทันหายนี่ถูกบีบคั้นให้หายไปถ่าปัญญากล้ากว่านั้น อ, อีกก็เห็นเลยทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหาสาระไม่ได้เลย สรุปนะถือศีห้านะทุกวันไปทําในรูปแบบถ้าไม่ทําโอกาสจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้น้อยเพราะจิตจะฟุ้งสั้นนะจิตจะฟุ้งไม่มีแรงดูหรอกหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กนะแล้วตอนที่มาเจอหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยมาเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับไปเลยดูถูกสมาธิทํามาตั้งนานไม่เห็นได้อะไรดูถูกสมาธินะไม่เอา ไม่ทำสมาธิไม่ทําสมถะอยู่ได้สองปีกําลังของสมาธิหมดสะสมตั้ง22่สิบสปีนะมันใช้ได้สองปีวันหนึ่งเจอหลวงตามหาบัวถามท่านว่าขอกัดพระแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะแต่ทําไมช่วงนี้สังเกตนะมันไม่พัฒนาเลยหลวงตาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะ ต้องเชื่อเรานะตังนี้สําคัญมากนะเราผ่านมาด้วยตัวเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกเนี่ยพระท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อเขบริกรรมพุทธโธพุทธโธว่าจิตมันจะแตกจิตไม่เอาพุทธโธจิตไม่ชอบพุทธโธมันนึกดูหลวงตาท่านถนัดพุทธโธ ท, ท่านว่าบริกรรมพุทธโธได้ว่านี้ดีเราไม่ถนัดพุทธโธเราถนัดลมหายใจทําไมท่านจะให้พุทธโธสังเกตไปที่ว่าท่านว่าดูจิตไม่ถึงจิตจิตไม่เข้าฐานนั่นเอง สมาธิไม่พอจิตมีกระจายออกไปว่างๆโล่งๆว่างๆมีแต่ความสุขโอ้จิตมันออกนอกจิตมันไม่เข้าฐานไม่เห็นน่ะนี่ครูบาอาจารย์บอกก็เลยสังเกตเห็นสังเกตเห็นไม่ยากแล้วล่ะไม่ได้พุโทโธเลยนะมารู้ลมหายใจจิตรวมเมามก็หายแล้วละ่ะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแล้ว แ, ลแต่ความถนัดของแต่ละคนะ สมาธิที่จิตถึงฐานจริงๆจิตตั้งมั่นจริงๆสำคัญมากนะไม่งั้นเดินปัญญาไม่ได้แล้วมันจะว่างๆใจมันจะโล่งว่างสบายเพลินๆไปตั้วันๆหนึ่งต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไปทำในรูปแบบค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะได้มีสมาธิถึงฐานแล้วอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไป ถอบแล้ว เ, เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ทันไปก็จะเห็นความรู้สึกนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปฝึกแค่นี้แหละไม่ต้องไปคิดหรอกธรรมะคือธรรมชาติหรือเปล่าธรรมะคือหน้าที่หรือเปล่าเพ้อไปเปล่าๆแล้วคิดแบบปรัชญาธรรมะก็คือธรรมะธรรมะจะเป็นอะไรเอาต่อไปส่งกันบ้านเมื่อวาง่วงๆแล้วก็มึนจนถึงเมื่อเช้านี่ค่ะ สวดมนต์ไปจเจริญเมตตาไปแก้ง่วงแก้มืนมืนก็ช่างมันมืนก็ไม่ต้องหวังว่าจะหายนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะนถ้าเราอยากอยากให้หายเนะี่ยจะไม่หา ย, ยไม่ได้อยากหายแต่อยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ๋ออยากรู้ให้รู้ว่าอยากนี <c oughs> <c oughs> ่อะไรไม่สำคัญหรอกมันก็คือปรากฏการที่ปรากฏต่อหน้าเราเท่าน้มืนเกิดจากอะไรช่างมัน แต่ใจเราเป็นยังไงกับความมึ น, นะะสาคัญกว่าเรารู้ทันว่าใจเราไม่ชอบความมึน น, นะรู้ตรงนี้นะไม่ใช่รู้ให้หายหมึนหรอกแต่รู้ทันใจตัวเองก็จะกลับบ้านแล้วว่ะค่ะหลวงพ่อจะถามว่าต้องกลับไปดูแลส่วนไหนเพิ่มเติมที่ปฏิบัติดูแลใจเราแหละจะดูแลอะไรนะนะแต่ว่าภาวนาดีแต่มันเหมือนกับ อยู่ไปวันๆอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อมันไม่มีอะไรเลยอยู่ไปวันๆก็ดีแล้วเอย่าไปอยู่หลายวันอยู่กับปัจจุบันนี่แหละดีที่สุดนมัสการหลวงพ่อครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเสื่อมแล้วก็รู้สึกจะเสื่อมนานเพราะปัจจัยแผนนอกมันลุมมลาวเยอะอืมแล้วก็คงต้องมานับหนึ่งกลางนะกลางกับความเสื่อมเสื่อมหรือเจริญก็เป็นแค่ปรากฏการ ที่ใจเราไปรู้เข้าเมื่อใจเราไปรู้เข้าแล้วยินดีให้รู้ทันยินรายให้รู้ทันะเท่านั้นแหละเราจะเสื่อมหรือเจริญเนเท่าเทียมกันล่ะล้วนต่สอนธรรมะเราเหมือนกันหมดเลยเสื่อมมันก็เสื่อมชั่วคราวนะีเจริญก็เจริญชั่วคราววันนี้หลวงพ่อเทศก็พอดีคงได้นํามาใช้เอาไปใช้นะนเทศให้เอาไปทำเนะี่ยไม่เทศเอาฟังเล่น กลับน้ำมัศการหลวงพ่อคะ่ะ mm hmm. เมื่อวานได้ทำมาจากหลวงพ่อไปที่ mm hmm. บอกว่าตื่นเต้นและหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปฝืนมัน mm hmm. มันจะแน่นๆใช่ไหมคะ mm hmm. ก็เลยกลับไปลองสังเกตตัวเองดู mm hmm. พบว่าไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้นตกใจ mm hmm. หรือกลัว mm hmm. จะเกิดการแน่นๆไปหมดใช mm ่ hmm. คะ่ะพอกตอนกลางคืนก็ได้ฝึกเพราะว่ากลัวพอมืดๆก็กลัวค่ะคราวนี้ก็จะเห็นว่าพอกลัวก็เกิดความแน่นตามมา แล้วพอมีจังหวะหนึ่งนะคะช่วงนั้นเหมือนมีสติอล่วงหน้าพอเกิดความกลัวก็เห็นความกลัวเกิดขึ้นอืแล้วก็พบว่าความกลัวมันไม่ได้แน่นมันแค่สันสันใช่แล้วพอเห็นมันมันก็หายไปค่ะแล้วก็ความแน่นก็ไม่ได้เกิดแต่ว่าก็ไม่ได้หายสนิทนะคะพออีกครั้งมันก็เกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ค่อยสังเกตะใครรู้ไปนะถึงกระทบอารมณ์อื่นก็แบบเดียวกันนี่แหละะไปดูเขา จริงๆอยู่วัดหลวงพ่อไม่ได้มีอะไรน่ากลัวสักนิดเลยนะมีแค่งูเหา่างูจงอางมีตุ๊กแกมีผีมีอะไรมันเรื่องธรรมดาม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเสือก็ไม่มีช้างก็ไม่มีนะเสืออยู่ในสวนหมดเลยเสวนเสือไม่มีอะไรให้กลัวเลยเราก็ยังกลัวกันอยู่ได้ที่จริงกลัวความมืดถ้ามันสว่างนะก็ไม่ค่อยกลัวหรอก พมืดๆแล้วมันชักระแวงว่าผีมันซ่อนอยู่ที่ไหนลงกระไดมันซ่อนอยู่ที่บันไดหรือเปล่าอะไรนะใต้กระไดหรือมันอยู่ใต้ถุนกุดระหว่างใต้ถุนกุดตีกับบนเพดานเนี้กลัวตรงไหนมากกว่ากันฮะกลัวเพดานกลัวผีมันห้อยลงมาเอาต่อไปใครจะส่งคนบ้าน นมัส ก, การหลวงพ่อครับก็ตอนนี้เห็นโทรศัท์มากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองร้ายมากเลยครับอืเห็นใจที่โทรศัพท์ไหวตลอดเลยครับปล่อยให้มันเป็นธรรมดานะเราดูมันแต่ว่าไม่ผิดศีลห้ากิเลสจะมานะไม่ว่ามันแต่ไม่ให้มันครอบงําจนเราทำผิดศรรีลให้รู้อย่างที่มันเป็นแต่ถ้าเรากลัวมันเราจะไปรักษามันจะนิ่งไป ครับแล้วก็เห็นกายชัดครับจะรู้สึกว่าเวลาที่เราเผลอครับก็จะมีร่างกายแต่เวลาที่เรารู้สึกตัวจะเห็นเป็นวัตถุหนึ่งปเปลียนชัดใช่ครับนี่เราไม่ประคองความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกแล้วเผลอรู้สึกแล้วเผลอก็ใช้ได้นะถ้าเราประคองอยู่เราก็จะเห็นมันไม่ใช่ตัวเราตลอดอะแต่มันจะแข็งแขงไปนิดนึงเข้าแข็งแข็งรู้สึกไหมใช่ครับแสดงว่าวประคองเยอะไปรักษาตัวรู้แรงไปให้คลายออกซะนะอ อ, อ๋อหลวงพ่อเมตตาทุบ อ, อ, อยากจะพัฒนาต่อครับอะไรท<ด>ี<ง>่ดีนี่ไงสอนแล้วไงครับนะอยังประคองตัวรู้อยู่หน่อยๆนะครับใจกล้าๆปล่อยมันแต่ไม่ใช่ปล่อยแล้วขาดสตินะครับปล่อยแล้วรู้ปล่อยแล้วรู้ครับต่อไปนี้ก็จะตั้งใจภาวนาจนลมสุดท้ายครับถวายพุทธเจ้าถวายหลวงพ่อครับสาธุโอ้ยอย่างนี้ชอบนี่ปีติฟังแล้วขนลุกเลย <laughs> ดี กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกตื่นเต้นเจ้าค่ะธรรมะาทุกวันนี้ก็ภาวนาอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะแล้วก็หนังละครทางทีวีก็เลือกดูไปนานตอนนี้ก็ดูละครโงใหญ่ที่อยู่ในตัวเอกเจ้าค่ะดีก็รู้สึกว่าผู้ร้ยกับนางเอกสู้กันทุกวันเลยเจ้าค่ะใครชนะหลักส่วนใหญ่ส่วนมากจะแพ้เจ้าค่ะอย่างเอกผู้ร้ยชนะมันแบบหนังไทยนะ นางเอกจะแพ้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงตอนที่ห้าร้อยแล้วชนะตอนสุดท้ายตอนเดียว <c oughs> แต่ก็ยังสู้เจ้าค่ะรู้ว่ามันก็ลำบากเหมือนกันแต่ทำยังไงไดเ้เมื่อมันได้อัตภาพการเป็นมนุษย์แล้วค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วอะเออใช่แล้ว ความเพียรพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรุไว้แล้วในโลกนี้เพื่อสักสอนสัตว์ออกจากสลวัตรฟุ้งละฟุ้งละเห็นไหมเห็นใจไหมมันตื่นเต้นมากเลยฟุ้งไปเลยคุยไปเรื่อยๆรื่อาอยู่ก็คิดว่าท่านดีก็จะทำให้ดีที่สุดจ้ะค่ะไปทำเอานะอยากให้หลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมว่าจะต้องทำยังไงบ้างมัก็ทาเป็นอยู่นะขันมันก็แยกแล้ว ใจกับใจมันกแยกกันความรู้สึกมันก็แยกออกไปหน้าที่เราก็ดูแต่ละตัวตัวไหนชาติก็รู้ตัวนั้นแหละแค่จะเห็นเลยทุกตัวมาแล้วก็ไปเจค่ะดูอย่างนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าตัวโทสะจะค่อนข้างแรงมากก็ดูปั้มกันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะก็รู้ว่ากําลังตัวเองก็ยังยังสู้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่จะไปสู้กิเลสนะไม่มีใครชนะมันหรอก แค่รู้ทันว่ามันมาเจ้อย่าไปาไล่มันไม่คิดจะไล่มันนะมันไล่มันไม่ได้สู้มันไม่ไหวเจ้าค่ะเพระาะว่าที่บ้านพเพอิญจะต้องอยู่กับหลานชายนะเจ้าค่ะ<ม>แล้วหลานชายเขาก็ยัง<ม>ยังชอบดื่มเหล้าชอบอะไรอย<ม>ู่แล้วเราก็ต้องสัมผัสกับเขาอะไรเงี้ยบางทีภาษากระทบกันแล้วมันก็ทําให้เราโทสะค่อนข้างไม่อยู่อ่ะเจ้าค่ะเราดูของเราไปนะอย่าไปดูหลานเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะ าการณ์นาสารหลวงพ่อครับว่าไงหลวงพ่อผมปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมีไหมครับอย่าให้จิตติดอารมณ์นะครับอย่างปีติเกิดขึ้นก็อย่าให้มันย้อมใจเราได้ก็แค่รู้นะครับความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่าให้มันมาเข้ามาครอบงำใจเราครับนามส ก, การหลวงพ่อครับว่าไงก็ ฟังสิดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็เกิดปิติหลังจากฟังได้สักเดือนสองเดือนหลังจากนั้นปิติก็หายมก็กลับมาปิติอีกครั้งเมื่อวานนี้อืมก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชีวิตนี้คุ้มค่าที่ได้เกิดมา อ, อนะคุ้มหลบเกิดมาไม่ภาวนานะขัดทุนเกิดมาเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนภาวนาไม่เป็น เราเกิดเป็นคนสมบูร์แบบนั้นพอนาไปรู้เท่าทันใจของเราไปด้วยนะเราก็มีหน้าที่แค่ดูขันมันทำงานไม่ได้ทำอะไรนะดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนให้เราดูเองแหละไปทาต่อนะขอบคุณครับหลวงพอ่อกรั บ, บนมันส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็โยมฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจาวันเป็นหลักอะคะ่ะ ไม่ค่อยจะได้ทําในรูปแบบเท่าไหร่นะคะสิ่งที่เห็นก็คือจะเห็นโทษาแล้วก็มานาอัตตาในตัวตนเยอะนะคะก็เลยอยากได้ให้หลวงพ่อช่วยแนะนําแนวทางที่จะกลับไปปฏิบัติในรูปแบบในแนวางสาวันแล้วนะได้มาสามวันแล้วเอาไปทำเอาแนวทางที่โยมปฏิบัตินี้ถูกต้องอยู่แล้วไหมคะตอนนี้ใจถึงฐานไหมจิตถึงฐานไหมหรือจิตออกนอกคิดว่าออกนอกค่ะจิตกระจายกว้างๆออกไปใชค่ะ ประคองอยู่ไหมค่ะก็ประคองอยู่มันจะแน่นนิดหนึ่งค่ ะ, นะแน่แนแล้วก็ใจเต้นเยอะเออนะเราค่อยรู้อย่างที่เขาเป็นนะค่ะไม่แทรกแซงไม่บังคับรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆไปถ้าเป็นไปได้ควรทําในรูปแบบทุกวันจะทําให้มีแรงถ้าไม่มีแรงดูไปแล้วมันจะไม่ค่อยตัดสักทีอาจะนานยืดเจื้อไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกมันเหมือนเรามีมีดเล่มหนึ่งต้องรับมีดก่อน มีดคมๆแล้วไปฟันต้นไม้นะแป๊บเดียวก็ขาดถ้าเราไม่ทําในรูปแบบเลยไม่ได้เคยรับมีดเลยมีดถือๆไปฟันป๊อกป๊อต้นไม้โยกโยกไปมันไม่ขาดสักทีกิเลสไม่สะเือนเท่าไหร่หรอกนะงั้นทาในรูปแบบด้วยค่ะโยมโ ย, ยมใช้รูปแบบคื อ, อาหายใจแล้วก็ดู ด, ดูจิตใได้หายใจใ<ช>แล้วรู้นะทันจิตน ะ, ะหายใจแล้วจิตหนีไปก็รู้หายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ค่ะ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคราวที่แล้วม า, าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะคราวที่แล้วมาแล้วก็โมแต่ปลื้มหลวงพ่อคะ่ะ<อ>เลยไม่ได้ถามจะคือจะถามหลวงพ่อว่าหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาก็เป็นเดือนแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเข้าใจหลักแ ม, ม, ม่นยำแล้วเจ้าคะ่ะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบอเจ้าคะ่ะว่าเป็นไรเจนะ้าค่ะสังไกลกับใจมันแยกกันได้ มันนะมันรู้สึกนะเจ้าค่ะเวลาสวดมนต์มันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยเจ้าค่ะเออนั่นแหะมีตัวรู้ตัวตัาแล้วหนูก็เอามือมืออย่างเงี้ยไปยุ่งกับมันอีกเนาะ <laughs> แล้วจะขอคําแนะนําหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือหนูเนี่ยกลัวหนอนมากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยหนูสวดมนต์อยู่แล้วรู้สึกมันมันมาจากดอกไม้บางเจ้าค่ะแล้วมันมาตายอยู่ที่ที่หลัง หนูก็เอ้อะไรมันตายแล้วหนูก็จับมาแล้วก็อุ๊ยนอนนี่หนูก็กลัวหนูก็แบบมันก็ระลึกถึงความกลัวนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อแต่ทีเนี้ยจิตอีกจิตนึงบอกว่าเอาอีนี่ยังจะภาวนาอีกนันว่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ <c oughs> แล้วหนูต้องทํายังไงอะเจ <c oughs> ้าค่ะหลวงพ่อคือมันทั้งกลัวทั้งขยักขยแยงก็เอานอนไป <c oughs> ปล่อยสิก็ก็ปล่อยอะเจ้าค่ะแต่ถ้าเกิดมันมันต้องเจออีกแล้วถ้าเกิดมันมาอยู่ที่ตัวเราอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนสติขาดไปเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเนี่เป็นวิบากนะ เวลาเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเนะี่ยมันเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีให้ผลมาเพราะงั้นเราไล่มันไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้หรอกบางทีคนทั้งหลายคนนะจิงจกไม่ตกใส่มาตกใส่เราคนเดียวอย่เนงะี้ยมันมีว <จะ S 1> ิบากเราจะเจอบ่อยมากเลยเจะหันะช็ชอบชอบฆ่าหนอนน่ะหนอนจะมาหาหนะูไม่เคยฆ่านะนั่นแหละมันต้องสร้างมานะเพราะงั้น<ช>เจอหนอนก็เมตตาหนอนเอาไปปล่อย ก็ปล่อยเจ้าค่ะก็ทุกันก็ต่อไปมันก็เลยไม่มานะก็แผ่เมตตาเด้อนั่นแหละถ้าเราเกลียดมันน้ํายิ่งมาหาบางคนเกลียดแมงสาบนะไปที่ไหนเจอแต่แมงสาบคนอื่นไม่เห็นหรอกแล้วเวลาแมงสาบวิ่งนะก็จะกระโดดหนีโดดทีละเหยียบแมงสาบทุกทีเลยเป็นเรื่องของกรรมนะเจ้าค่ะ ถ้าถ้าหลวงพ่อตรวจสอบแล้วว่าหนูมีความพัฒนาขึ้ น, นหนูก็หนูก็ขอ<ม>ถวายการ<ม>ปฏิบัติของหนูนะคะ<ม>เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอถวายแด่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์รวมัึงหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะพระสาธุนะกราบขอพระคุณค่ะกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติโดยการเดิวนวงกลมครับ กายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูครับถูกแล้วแล้วก็จิตไหลไปคิดบางครั้งก็รู้ทันบางทีก็ไม่รู้ทันครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะคิดนานกว่าเดิมมากครับแล้วก็ต้องมีเครื่องอยู่นะครับจะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจอะไรก็ได้ไม่งั้นจะหลงยาวเป็นธรรมชาติครับนะหรือเราใช้วิธีเคลื่อนไหวร่างกายร่างกายมันกระตุกติอยู่ตลอดเลยแล้ ว, ลวมันเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วร่างกายเรา ก็รู้สึกอยู่ในร่างกายให้ร่างกายหายใจก็รู้สึกเลยครับถ้าใจมันมีเครื่องอยู่แล้วมันหลงไปนะมันจะหลงไม่นานถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่เวละหลงแล้วห ล, ล, ลงยาวนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะขันก็แยกแล้วไปทําเอาอีกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงที่จิตไหลไปคิดเนี้ยเราคิดเป็นลักษณะเหมือนไตรักได้ไหมครับเหมือนเกิดดับอะไรเนยไม่จําเป็นอนะ ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดได้ไม่ต้องไปคิดต่อแล้ะให้รู้ทันก็เปยนเลยตรงที่ไปคิดไตรักนะสําหรับพวกที่มองไตรักไม่ออกก็คิดนําไปก่อนแต่ถ้าเราเห็นจิตเกิดดับได้แล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องไตร ล, ลักษแล้วเสียเวลาคล้ายๆไปเรียนมหาวิเลยแล้วยังไปท่องหนังสือสมัยมัธยมอีกนน ค, คนสุดท้ายละการน้ำมาสังการของพ่อครับก็ ฟังซีดีแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาได้ประมาณปีหนึ่งนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนเยอะมากครับใช้ได้แล้วล่ะครับขันแยกแล้ดูขันมันทํางานไปไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยครับผมพอจะสังเกตเห็นไหมมันทํางานได้เองนะใช่ครับบางทีแบบขับรถอยู่อย่างเงี้ยก็พอแบบติดมันตั้งมั่นปุ๊บนี่ก็มันถอยออกไปดูเหมือนแบบเป็นหน้าจอเกมเลยครับเอ แต่เราไม่จงใจถอยนะจงใจถอยใจจะแน่นแน่นถ้าใจแน่นแสดงว่าเป็นตัวรู้ที่ผิดละตัวรู้ที่จงใจตัวรู้ที่ดีจะเบาสบาสบายใช้ได้นะทำถูกแล้วขอบคุณครับหมดแล้วนะวันนี้เชิญกลับบ้าน